ธรรมบทแปลเรื่องที่121อเรื่องพระอธิมานิกะภิกษุภาคที่หเรื่องที่สี่ของวรที่11อชราวัคคะวันน า, นาข้อความเบื้องตน้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพวกภิกษุผู้มีความสำคัญว่าตนได้บรรลุพระอรหัตผลหลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายาณีมานิเป็นต้นตอนพวกภิกษุสำคัญผิดดังได้สดับมาภิกษุห้าร้อยรูปเรียนกรรมฐานในสำนักพระศ า, ศาสดาแล้วไปสู่ป่าภาคเพียนพยายามอยู่ยังฌานให้เกิดขึ้นแล้วสำคัญว่ากิจบรรพชิตของพวกเราสำเร็จแล้ว เพราะกิเลส ท, ทั้งหลายไม่ฟุ้งขึ้นจึงกลับมาด้วยหวังว่าจะกลับทูนคุณที่ตนได้แล้วแ ด, วพส ด, สด่พระสัสดาตอนพระสัสดาจึงแก้คำสำคัญผิดนั้นในเวลาที่พวกเธอถึงซุ้มประตูฉันนอกเท่านั้นพระสัสดาตรัสกับพร ะ, อ, นนระาอานน์เถระว่าอานน์ การงานเกี่ยวด้วยเราผู้อันภิกษุเหล่านี้เข้ามาเฝ้ายัางไม่มีภิกษุเหล่านี้จงไปป่าช้าผีดิบเสียก่อนกลับมาจากที่นั้นแล้วจึงค่อยเฝ้าเราพระเถระไปแจ้งความนั้นแก่พวกเธอแล้วพวกเธอไม่พูดเลยว่าพวกเราจะประโยชน์อะไรด้วยป่าช้าผีดิบคิดเสียว่า พระพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลจากทรงเห็นเหตุการณ์ดังนี้แล้วไปสู่ป่าช้าผีดิบแล้วเมื่อเห็นศพในที่นั้นกลับได้ความเกลียดชังในซากศพที่เขาทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันยังความกำหนัดให้เกิดในสรีระอันสดซึ่งเขาทิ้งไว้ในขณะนั้นในขณะนั้นก็รู้ว่าตนยังมีกิเลส พระศัสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเองทรงฉายพระระสมีไปดุดตรัสอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นยังความยินดีด้วยอำนาจราคาให้เกิดขึ้นควรหรือดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า ยานีมานิอปัฏฐานิอลาบูเนวะซารเดกาโปตากานิอัตที่นิตานิดิสวะนาการตีติกระดูกเหล่านี้ใดอันเขาทิ้งเกลื่อนกลาดดุดน้ำเต้าในศาสการมีสีเหมือนนกพิราบความยินดีอะไรเล่าจากมีพระหินกระดูกเหล่านั้น ตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอปัตท่านี้ได้แก่อันเขาทิ้งแล้วบทว่าสารเดความว่าเมื่อน้ําเต้าที่ถูกลมและแดดกระทบล่นเกลื่อนกลาดในที่นั้นๆในศาสตร์การ์บทว่ากาโปตกานี้แปลว่ามีสีเหมือนสีนกพิราบ สองบทว่าตานิดิสวานะความว่าความยินดีอะไรเล่าของพวกเธอจะมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นคือเห็นป่านนั้นการทําความยินดีในการแม้เพียงนิดหน่อยย่อมไม่ควรเลยมิใช่หรือในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลแล้วตามที่ยืนอยู่เที่ยว ชมเชยพระผู้มีพระภาคมาถวายบังคมแล้วดังนี้แลเรื่องพระอธิมานิกาภิกษุจบ